ฝ่ากระแสน้ําในท้องทะเลซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการมี อ, รอัลลอฮ์วันนี้ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวของนบีบางท่านเพื่อเป็นการปลอบใจท่านรอสุลุลสลลลลอห์วะไลวะสลัมจากการที่ท่านได้ประสบกับการทําร้ายจากพวกมุสลิมโดยกล่าวถึงเรื่องของนบีโนะนบีฮูสตนบีมูซาและเรื่องราวของมรารยาญผู้บริสุทธิ์และบุตรของนางคือนบีอีสซา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 ด้วยพระนามของ Allah ال ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออมแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้ประสบความสมเร็จแล้วบรรดาผู้ที่สำรวมตัว ในเเววลาลาาอมขขงพกและบรรดาผู้ที่ผินหลังให้เรื่องไร้สาระต่างๆและบรรดาผู้ที่ทาการบริจาคอัลละกับและบรรดาผู้รักษาทวารเบา พวกเขาอว้นแต่แก่บรรดาภริยาของพวกเขาหรือท so ี่มือขวาของพวกเขาครอบครองคือทาสีในกรณีเช่นนั้นพวกเขาจะไม่ถูกตำหนิและไม่ถูกลงโทษ ฉะนั้นผู้ใดแสวงหาอื่นจากนั้นชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้ละเมิดขอบเขตและบรรดาผู้ที่เอาใจใส่ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายแก่พวกเขาและสัญญาของพวกเขาและบรรดาผู้ และบรรดาผู้ที่รักษาการละามาดของพวกเขาเอาไว้ส่วนเหล่านั้นแหละคือบาาาอรรดาทายาทซึ่งพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ชั้นฟิรเดาเป็นบรดกซึ่งพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล และความจริงเราได้บังเกิดมนุษย์อาดั ม, มาจากธาตุดิบแล้วเราทำให้เขามนุษย์เป็นเชื้ออาสุจิอยู่ในที่พักอันมั่นคงคือมนุษย์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 ผู้ทรงเป็นเลิศแห่งผู้สร้างทั้งหลายมมมอนนิหลังจากนั้นพวกเจ้าก็ต้องตายอย่างแน่นอนมมอนมมมติหลังจากนั้นพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นในวันที่ยามะา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 และด้วยน้ำนั้นเราได้ทำให้มันเป็นสวนหลากหลายแก่พวกเจ้ามีต้นอินทผ ล, ลัมและต้นองุ่นสำหรับพวกเจ้าในสวนนั้นมีผลไม้มากมาย และส่วนหนึ่งพวกเจ้าก็บริโภคมันและเราได้ทำให้มันเป็นต้นไม้ไซ่ตนที่ภูเขาสีนายซึ่งมันได้ผลิตออกมาเป็นน้ำมันและน้ำแก่สำหรับผู้บริโภควา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 بشر ุ่มเหมือนคุณยืนริดเอียทั้งทัยคุ ولو ชาอัลลอฮุล زلملائك ทั م มมาสัมย์น้าบีฮะดาแมสัมย์น้าบีฮะดาฟีอาบายนะวอลีนแล้วหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในกลุ่มชนของเขาก็ได้กล่าวขึ้นว่า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 إليه أنصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وثارت النور فسلف فيها فسلف فيها من كل زوجين ا ث نين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه ا ل ق و ل منهم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 ครั้นเมื่อเจ้าและผู้ที่อยู่ร่วมกับเจ้าได้ขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วจงกล่าวเถอดว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งให้เรารอดพ้นจากกลุ่มชนที่ผู้อาัรร<ะ>และจงกล่าวเถิดว่าโอ้พระผู้อวบานของฉันขอโปร่งส่งให้ฉันลงจากเรือ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 แล้วหลังจากพวกเขาเราได้บังเกิดชนอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกอาต์ดังนั้นเราได้ส่งราซูลท่านหนึ่งของพวกเขาคืออูด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 และว่านากลุ่มชนของเขาคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อการพบวันประโลก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 แน่นอนพวกเจ้าจะถูกนำออกให้มาฟื้นขึ้นอีกไ ก, ก, กลเสียจริงไกลเสียจริงในสิ่งที่พวกเจ้าถูกชั้นยาไว้ไม่มีชีวิตอะไรอีกนอกจากการดำรงชีวิตของเราในโลกนี้ เราจะตายไปและบางคนในพวกเราก็จะมีชีวิตยอยู่และพวกเราจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก ا, ن ن เขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นคนธรรมดาที่กล่าวเท็ศต่อหรอและเราจะไม่ยอมศรัทธาต่อเขาเป็นอันขาด เขาพูดกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์โปรดช่วยเหลือฉันด้วยเพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังฉั น, มม น, น, นพระองค์ตรัสว่าหลังจากเวลาอันเล็กน้อย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 เราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตของเรามาอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่ศาสนาพูดของพวกเขาได้มายังกลุ่มชนหนึ่งพวกเขาก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อถือดังนั้นเราจึงให้บางกลุ่มของพวกเขาประสบกับความพินาศต่อจากอีกบางกลุ่มแล้วเราได้ทำให้พวกเขาเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาดังนั้นความห่างไกลาจากไมตาของล้อจึงประสบแก่บรรดาผู้ไม่ศรัทธา แล้วเราได้ส่งมูซาและพี่ชายของเขาคือฮารูนพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราและหลักฐานอันชแทบจะไปยังฟิร์ อ, อาและบุคคลชั้นหัวหน้าของเขา แต่พวกเขาก็ยโสโอหังและพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่เย่อหยินงจองหงพูกเขากล่าวว่าจะให้พวก เ, าเราศรัทธาต่อบุคคลทั้งสองที่มีสภาพเช่นเดียวกับเราได้อย่างไวและกลุ่มชนของเขาทั้งสองก็ยังเป็นทาสรับชายเราลม ฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธไม่ยอมเสี่ยวฟังเขาทั้งสองดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลายและแท้จริงเราได้ประทานคำพีเต่ารอดให้แก่มูซาเพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในทางนำที่ถูกต้อง ลและเราได้ทำให้บุตรของมารายามและแม่ของเขาเป็นสัญญาณหนึ่งและเราได้ที่พักพิงแก่เขาทั้งสองณที่ราบสูงแห่งหนึ่งใบตุลมรัรกดินซึ่งเป็นที่พักที่สะดวกสบายและมีทานน้ำไหล ย, ยลมนบ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 ท่ ح ح ดังนั้นเจ้ามูัมหมัดต้องกล่อยพวกเขาให้อยู่ในความงมงายของพวกเขาไปสักระยะเวลานอหนึ่นพวกเขาคิดหรือว่าแท้จริงสิ่งที่เราได้แก่พวกเขาเช่นทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้ น, น ถือเป็นการเร่งให้ความดีแก่พวกเขาการะนั้นหรือกล่าวเลยแต่ถ้าว่าพวกเขาไม่รู้สิกรอกอินัลลัติลฮุมมินขเชียติรับบิหิมมุชฟุน แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงเนื่องจากความกลัวต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาลและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาลบและบรรดาผู้ที่พวกเขาไม่ตั้งพาธีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา آ ا และบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่พวกเขาได้มาโดยที่จิตใจของพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยความหวันเกรงว่าแท้จริงพวกเขาต้องกลับไปหาพระผู้อภิบาลของพวกเขา ทุาาาล า, า, ามีเละจะรีบเร่งในการประกอบความดีทั้งหลายและพวกเขาเป็นผู้ที่สมควรรุดหน้าไปก่อนและเราไม่ได้บังคับผูดด้ใด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 และสำหรับพวกเขามีการางานอือ่นอีกโดยที่พวกเขาต้องปฏิบัติมัน إ أ จน ก, กระทั่อเรา้อาชีตพวี่สุขสมดานในหมู่เด้ารมัอรลจนกระทั่งเมื่อเราได้เอาชีวิตพวกที่สุขสมดานในหมู่พวกเขาด้วยการลงโทษเมื่อนั้นพวกเขาก็โอดครวญร้องขอความช่วยเหลือ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 และพวกเจ้าก็หันส้นเท้าของพวกเจ้ากลั บ, บลพวกเขายะโสโอหังต่ออัลกุรอานพวกเขาจับกลุ่มกันสนทนาในเวลากลางคืนพวกเจาไม่ได้จับมือลีน พวกเขาไม่ได้พิจารณาดูท่าดำหนัดดอกหรือหรือว่าได้มีมาอย่างพวกเขาซึ่งสิ่งที่มิได้เคยมีมาอย่างบรรพบุรุษของพวกเขารุ่นก่อนๆ ห, หรือว่าพวกเขาไม่รู้จักาศาสนาพุทของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงต่อต้านเขาอนยูลบิ หรือว่าพวกเขากล่าวหาว่าเขาเป็นบ้าไม่ใช่เช่นนั้นดอกเขามูฮัมมัดได้นำความจริงมาให้พวกเขาแล้วแต่พวกเขาส่วนมากเป็นผู้เกลียดชังความจริง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 และพวกเขาเป็นผู้หันหลังกลับให้กับข้อเตือนสติของพวกเขานั้นหรือเจ้าขอข้าจาดในการเผยแพร่ศาสนาจากพวกเขากระนั้นนือแต่้าตอบแทนของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นดียิ่งกว่า และพระองค์เท่านั้นทรงเป็นผู้ดีเลิศในหมู่ผู้ประธานปัจจัยอย่างทีง่และแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ชักชวนพวกเขาไปสู่แนวทางอันทตและแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ชักชวนพวกเขาไปสู่แนวทางอันเที่ตรงสู่ศาสนาอิสลาม แต่แท้จรงบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันปรตโลกนั้นพวกเขาเป็นผู้หันหลังออกจากแนวทางอันเที่ยงงและหากเราเมตตาต่อพวกเขาและเราได้ปลดเปลื้องความทุกข์ยากออกจากพวกเขาแล้วแน่นอนพวกเขาก็ยังคงมั่วสูงอย่างคนตาบอด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 ว่าถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจะไม่ให้ควรดรวยจงกล่าวเถิดมือหมัดว่าใครเป็นเจ้าของชั้นฟ้าทั้งเจ็บและเป็นเจ้าของบันลังอันยิงใหญ่ยะพวกเขาจะกล่าวตอบว่ามันเป็นของอัลลอ จงกล่าวเถิดมอมัดว่าถ้าฉะนั้นพวกเจ้าจะไม่ยังเกรงพระองค์หรื อ, รอจงกล่าวเถิดมอมัดความนาดอันกว้างใหญ่ไพสาลเหนือทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของผู้ใดโดยพระองค์เป็นผู้ทรงปกป้องคุ้มครองและจะไม่มีใครปกป้องพระองค์หาพวกเจ้ารู้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 เราไม่ได้ต so on ั้งผู้ใดเป็นพระบุตรและไม่มีพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับพระองค์ถ้าเช่นนั้นพระเจ้าแต่ละองค์ก็จะเอาสิ่งที่ตนสร้างไปเสียหมด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 จากสิ่งที่พวกเขาตั้งเป็นทาสีจนนงกล่าวเตอนมุฮัมมัดว่าโอ้ครับผู้อภิบาลของฉันหากพระองค์จะส่งให้ฉันได้เห็นสิ่งที่พวกเขาถูกกล่าวเตือนสัมผัสไปแล้วโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงใหญ่ฉันอยู่ในหมู่ผู้อธรรมเลย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 ขอพระองค์ส่งให้ฉันกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถลลิ น, د, น, นีมออรคลิิตววด เพื่อฉันจะได้กระทำความดีในสิ่งที่ฉันได้ปล่อยทิ้งไว้เปล่ามันเป็นเพียงถ้อยคำที่กล่าวมันไว้เท่านั้นและเบื้องหลังของพวกเขานั้นมีโลกบาละซักจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะถูกให้ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมา สาบใน هم เย้มอิดวลายตสาะดูดังนั้นเมื่อสังได้ถูกเป่าขึ้นดังนั้นความสัมพันธ์ทางเครื่อยาติระหว่างพวกเขาเป็นอันหมดสิ้นในวันนั้นและพวกเขาจะไม่ได้ต่ายถามซึ่งกันเลยกันถ uh ้าคุณภลามวาจีนห์ฝ่าอลาอิคหมลมฟลิห و ดัะ น, นั้นผู้ใดที่ตราชูของเขาหนะักชนเหล่านั้นคือผู้ประสบชัยชนะและผู้ใดที่ตราชูของเขานะเาบนะา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 และพวกเราก็เลยเป็นกลุ่มชนที่หลงทางโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอาพรงได้โปรดเอาเราออกจากนารกด้วยเถิดถ้าหากเรากลับไปทำความชั่วอีกแน่นอนเราก็เป็นพวกอาธรรม พระองคลพรัสว่าพวกเจ้าจงจงอยู่ในนั้นเถอะและพวกเจ้าอย่าได้มาพูดกับข้าอีกเลยอินนุคานาซริขุมมิ่งอิบาดียกลุนั้รั บ, บนาอัมันนะ์ยกลุนร บ, บน า, ามันนะ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 พวกเจ้าได้ดูถูกเหยียกหยามพวกเขาจนกระทั่งทำให้พวกเจ้าลืมนึกถึงข้า และพวกเจ้าขวัวเราะเยอะเยะ้ยพวกเขาอินนีจใส่ทุฮมัมาบอันนม่มาซบอันวัอันน่มุมวมาุมวันาอันทวันซอนทนที่มบัทวันทาซบั่ม่วกเขาแลอวในทวันนี้มาซบอพวกเขาอดนนแทุ่มวันทาเนัท่านันนเป็นผู้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 เขาปรองโปรดถามนักคำนวนที่เชี่ยวชาญถือพระองค์ตราสว่าพวกเจ้าไม่ได้ทำนักอยู่เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากพวกเจ้ารู้อบ